พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11มีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าออกนอกเส้นทางสายพระกรรมฐาน วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้รู้สึกมีอากาศฝนตั้งแต่งานของหลวงปู่จา ม, มาฝนไม่เคยตกเลยปีนี้รู้สึกว่าแห้งแล้งมากนะคณะธรธาญาติโยมลูกลานไม่มีฝนตามไม่จริงเดือนกุมภาเนี่ยฝนไม่เคยขาด แล้วก็มีนาฝนจะไม่เคยขาดเลยนะมีนาแต่นี้รู้สึกว่าเพิ่งเห็นก้อนฟ้าเมฆวันนี้แล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อได้ไปดูวัดใหม่ที่คณะสัทธาตาิโจมพวกหลานนายสาถวายอยู่ในเขตอำเภอเพนจังหวัดอุดร เนื้อที่ส0สิกว่าไร่สาสสไร่กว่าหลวงพ่อก็ไปดูแล้วก็ไปชี้จุดสถานที่ที่เขาจะวางหลักฐานที่ศาลาหลวงพ่อก็เลยไปชี้จุดที่ศาลาจากนั้นก็ไปชี้จุดกุฏิแล้วก็มี สมัยก่อนก็เกรียกอะไรคอร์กลางทหารคอรปรกลางเก่าแล้วก็อบพอตคนในท้องถิ่นมามาช่วยกันดูเมื่อวานนีแต่หลวงพ่อขอมอบหมายมอบฝังให้กับคนในท้องถิน่นช่วยช่วยกันดูด้วยถ้าเป็นไปได้ก็นั่นะสร้างวัดใหม่ขึ้นมาอีกแห่งนึงในหมู่บ้านของเขาเนื้อที่สาสิบกว่าไร่ ก็เป็นที่เหมาะอยู่ถ้าว่าใครชอบที่โล่งๆชอบโคนต้นไม้เนี่ยให้ไปอยู่ตรงตนั้นดีเพื่อจะแดดจะได้เผาบานเทาหรอวะแดดเผาหัวลันแต่ก็มีเมลร่มไม้อยู่บ้างอย่หรอวะเพราะเป็นป่าอยู่แต่เรื่องน้ำเลยสมบูรณ์มากเรื่องน้ำเลยสมบูรณ์ พอหลวงพ่อคงจะตั้งความปรารถนาตั้งแต่สมัสมยอยู่ภูจก้อมั้งอยู่ภูจก้อหลวงพ่อบอกว่าถึงยังไงไปอยู่ที่ไหนอย่าให้อดน้ำํำพ่อไปเห็นที่นี่ก็โอ้เหมือนกับพี่ไม้เลยพี่ไม้ก็มีน้ําทางหลังมีคลองน้ําทางหลังวัดแต่ว่าพี่ไม้น้ําเค็ม อยู่ตรงกลางวัดเด็กจะเป็นน้ําเค็มได้เจาะลงไปต้องได้ขุดสระต้องอาศัยน้ําสระแต่ตรงนี้เป็นน้ําบาดาลเจาะน้ําบาดาลลงไปน้ําดีมากกาลัางนะ่ะพวกผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกอยู่ที่นั่นว่าน้ําดีมากหลวงพอ่อเดี๋ยวนี้จากแผ่นดินลงไปไปถึงน้ําประมาณศอกเดียวท่านเองโอ้ แล้วก็น้ำอยู่ในสระข้างๆกับเขียวปีเหมือนกันน้ารู้สึกว่าน้ำดีที่ไปดูวัดใหม่แต่ก็แทนเรื่องด้านวัตถุหลวงพ่อไม่ได้วิตกกัางบนเรื่องการก่อสร้างว่าทยังไงยังไงศรังงาทธาญาติโยมเขาก็คงจะทำให้หลวงพ่อไม่เคยวิตก แต่วิตกก็คืออย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานผู้ที่จะไปอยู่วัดน่ะมีแต่สร้างวัดขึ้นมาหาพระอยู่ทีละองค์สององค์วัดมันมากเกินไปถ้าว่ามีพระอย่างน้อยสักเกองค์ 9, 10องค์ก็ออยังชั่วห้าองค์หกองค์ขึ้นไปถึง10องค์ ในพันองค์สององค์เห็นตามวัดต่างๆในละแวกนี้น้อยไปมีแต่สมพันธ์แต่ทางว่ามีพระอยู่ด้วยดูช่วยกันรักษามันก็อบอุ่นแต่ก่อนที่จะมีพระหรือว่ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมมีแต่เรื่องธรรมวินัยอยู่ในพูดธนัน อยู่ในหลักธรรมวินัยถึงสัมมาปฏิบัติถ้าได้อย่างนั้นถือจะองค์เดียวก็ดีแต่ถ้าหากว่าเรื่องหมอดูหมอเดาผีเข้าเจ้าทรงถ้าไปลักษณะอย่างนั้นพลังนั้นพลังนี้อภินิหาร น, นันอภินิหาร น, นี่มาอยู่ในวัดวาสศาสน า, า, ามาอยู่ในวงการของพระกรรมฐาน สายของเราเนี่ยก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่จะสร้างวัดขึ้นมามากๆก็เป็นส่วนดีไหมก็ดีแต่ว่าทางว่าส่วนเสียก็คือเนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ออกนอกรูกนอกทางมันก็เสียได้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองกับ ฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้จะเป็นผู้บริหารต่อไปภายภาคหน้านะไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดทินใดก็ว่าอยากเด่นอยากดังนะไม่ควรจะอยู่ในหัวใจของพระกรรมฐานตรงไหนที่จะเราเกิดมาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเชิดชูบูชาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิปทา ที่ท่านพาดำเนินมาอย่างน้อยท่านพาดำเนินมาอย่างไงในยุค ข, ของท่านก็เออเอาไม่เจริญท่านเดินไปที่ไหนท่านเดินแต่ทุกวันนี้ท่านจะเราจะไปเดินอย่างท่านก็ไม่ได้เพราะมันรถ ล, ลามันก็มีเราก็นั่งรถเถอะแต่ทิ้งยังไงก็อยาให้มันเกินกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามมีตามเกิดมันมีของดีก็ใช้ของดี ถ้าไม่มีของดีเออเอาใช้ไปตามที่มันไม่มีแต่บางคนบางพระไม่เป็นอย่างนั้นกระเสือกกระสนมุ่นวายไปหมด เ, เพ่งมองไปทางด้านวัตถุเสี่ยมากไม่ได้มองทางธรรมถ้ามองทางธรรมสันทุถีประมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐ คือความสันโดษอภิชตาเป็นผู้มักน้อยอันนั้นอันนั้นเลิศกว่าพระพุทธเจ้าท่านจกจ่องชนะเฉินอภิชตาเป็นผู้มักน้อยต่อลงมากับสันทุถีคาถาสันทุถีปรมาณธะนังตามมีตามเกิดถ้ามันมีเราก็ใช้ตามมันมีแต่ถึงจะมีมากเราก็ต้องมีอภิชตา คือเป็นผู้มักน้อยอันนี้คือวิถีชีวิตของพระจากนั้นก็นเน้นเรื่องจิตภาวนาเป็นสำคัญเรื่องภาวนาเนี่ยสำคัญเมื่อเราทำงานเราก็ทำงานพอช่วยกันความพร้อมเพรียงสามัคคีแต่เมื่อหยุดงานเราก็ภาวนาหาที่สงบสงัดนี่แหละ เหมือนกับทหารเมืองคลาวออกแนวรบก็ต้องออกแนวรบแล้วก็เวลาพักพรก็คือพักพรนแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทีพวกเราบางทีพระรอแาละรอและไปเรื่อยอันนี้ก็คือเราต้องเวลาเรารบต้องรบฝึกขัดจิตภาวนา ไปอยู่ในป่าอย่างวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งบอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดสนใจเรื่องจิตภาวนาไปหลบภาวนาอยู่ทางหลังวัดพื้นที่ของเราตั้งพันกว่าไร่เสนาสนะมีที่หลบที่หลีกเงียบสงัดไปปัดกวาดทำความสะอาดอเดินโยกมอยู่ทั้งวันไม่มีใครเห็นนั่งภาวนาก็ได้เงียบจริงๆอยู่ทางหลังวัด แต่ว่าผู้ที่จะทำอย่างนั้นก็มีน้อยแต่ก็มีอยู่อะตื่นยังไงกันเนี่ยหลวงพ่อแนะนาอย่างนั้นแต่เมื่อทำงานก็อย่างไหวอีกเหมือนกันในช่วงที่ทำงานเราก็ต้องช่วยกันทำงานพราะวัดวาสศ า, าสนาเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงสมัครขี่ในหมู่ในคณะแต่เมื่อทำงานเสร็จพอประมาณแล้วก็ เราจะเตลิดเปิดเปิงจนเกินไปเราก็ต้องยกเอาข่าวนี้พร้อมเพียงพอแล้วน้าหมูพวกเพื่อนเอาภาวนาแถาวในเออเอาหมูพวกเพื่อนช่วยการทำมาช่วยการทำงานพัฒนาเนี่ยสรุปแล้วก็คือมีลุกมีลุกมีพัก นี่นะิธีการจะทำยังไงได้โลกของเราก็เป็นอย่างนั้นะโลกวัะสงสารแต่ว่าเราจะภาวนาอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นอะไรตัวดีแต่ถ้าเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราจะไปอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้เราก็ต้องช่วยๆกันทำงานสรุปแล้วก็คือให้แบ่งเวลา อย่าไปคิดแต่ทางานอย่างเดียวไม่ได้อ น, นั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันทาไมพอเราบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อทำงานอย่างนั้นเราบวชมาเพื่อบาเพ็ญจิตตภาวนาทั้งด้านจิตใจอันนั้นสำคัญกว่าเรื่องงานภายนอกเป็นงานรองแต่งานหลักคืออะไรพระกรรมฐานงานหลักก็เรื่องจิตตภาวนาให้เราท่องสาธยายเอาไว้งานหลักของข้าคือภาวนา พยายามภาวนาอยู่ในสถานที่ใดพออยู่ตามละพังป๊อบจิตวิ่งเข้าสมาธิวิ่งเข้ามาหานึกคิดเรื่องปัญญาทันที ล, ล, ลักษณะอย่างนั้นอย่าไปปล่อยปละละเลยในขณะที่อยู่ตามลำพังกันหาที่หลบที่สงัดแล้วก่อนกาหนดจิตกาหนดใจดูตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยาพรเจ้าเนี่ย จากนี้ไปข้าพเจ้าจะอายุยืนนานไปสักเท่าไหร่มรณงเมผวิสติและลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอพวกเราจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ระลึกไว้อยู่เสมอมรณงเมรละลึกถึงความตายสบายนักหักรักหักหลงในสงสารหักโลภหักโกรธหักหลงในสงสาร ถ้าคนละลึกถึงความตายถ้าไม่ละลึกถึงความตายในโลกในจักรวาลเนี่ยคิดว่าจะเป็นเอามาเป็นของตัวทั้งหมดความโลภนั่นก็เหลือประมาณความโกรธให้ใครก็เหลือประมาณความหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตายหลงไปหมดหลงในสิ่งในของในกู่ในคนในโลกในร้านในญาติพี่น้อง วงศสาคนาญาติในกูบาลอาจารวัดวาศาสนามันหลงไปหมดเพราะอะไรเพราะไม่ละลึกถึงความตายถ้าลึกละลึกถึงความตายขึ้นมานอีกสักวันอย่างเห็นไหมคนที่เกิดก่อนเราปูา่ย่าตายายวงสาคณาญาติญาติมิตรสหายเพื่อนมนุษย์โลกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไง จะอยู่ยโูช่์ฟ้าดินสลายใช่ไหมใจถามตัวผู้รู้ของเรานะ่คือใจนั่นนะจากนั้นใจของเราก็จะได้สำนึกนึกคิดชกคิดในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ น, น้อมมาหาตัวเองโอปนญิโก้พอน้อมมาหาตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอีกสักวันหนึ่ง เพราะนั้นข้าพเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลข้าพเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อให้สร้างคุณงามความดีไว้เน้อตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่หลวงพ่อเคยพูดอันนี้เป็นคำพูดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าบอกว่าพรามทายกหรอโยม หรืออุบาสกสมัยในพระไตรปิฎกท่านว่าพราม์แต่เดี๋ยวนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ก็ได้โยมไม่ออกโยมพ่อออกก็ได้หรืออุบาสกหรือโยมอุบาสิกาอะไรโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็ได้ท่านได้คิดไว้หรือยังอุบาสกโยมผู้ชายท่านได้คิดไว้หรือยัง ท่านออกจากที่นี่แล้วท่านจะต้องได้ย้ายบ้านนะท่านจะต้องได้ย้ายบ้านนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่ท่านได้คิดไว้ได้อย่างได้เตรียมของอะไรไว้ได้อย่างก่อนที่ท่านจะย้ายบ้านได้เตรียมของไว้ได้อย่างที่จะนำติดตัวไปด้วยที่จะเดินทางต่อไปภายภาคหน้านะท่านได้คิดไว้ได้อย่างถ้าไม่คิดคิดไว้ใช่ไนะเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่บ้านนี้โชฟ้าดินสลายนะ อีกสักวันนึงนะเราจะต้องย้ายบ้านนะพระพุทธเจ้าท่านสอนสรุปแล้วคือคื อ, คอท่านเตือนพวกเราให้ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อท่านย้ายไปบ้านไปแล้วท่านจะไปพักที่ไหนก่อนเดินทางต่อไปนะท่านจะไปพักที่ไหนยังเดินเนตลิดปดเปิงตะลึงเปิง เ, เ, เปิดอย่างนั้นเหรอท่านมีที่พักไหมมีที่พักได้ยังได้คิดไว้ได้ยังเพราะนั้นเมื่อท่านจะออกเดินทาง อุปกรณ์ในการเดินทางมีพร้อมหรือยังนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโยมอุบาสกการเดินทางนั้นคืออะไรคือท่านจะต้องตายนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนนะ่ะท่านจะต้องตายแต่ขณะนี้น่ท่านได้เตรียมบุญกุศลไว้เพียงพอหรือยัง มีออย่างเป็นที่อุ่นใจและอย่างบุญกุศลที่ที่ท่านที่ท่านจะเตรียมไว้จะสู่จิตใจของท่านเมื่อท่านออกจากนี่นะตายนะไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกท่านจะต้องเดินทางออกไปปรโลกภายภาคหน้าอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ทีิรชานก็ได้ถ้าท่านไม่มีทุนไม่มีทุนรัพั์อาจจะตกนรกก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้แต่ถ้าว่าท่านไม่มีทุน พอจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ยากจนยากร้ายก็ได้แต่ถ้าว่าท่านสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจออกจากพบนิชาตินี้กันถ้าท่านเลือกไปเกิดได้เลยเพราะท่านมีเงินไปเกิดเป็นมนุษย์ระดับไหนถ้ามีทุนมากก็ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้หรือจากนั้นก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้พรหมชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้ แต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบันขึ้นไปกันั้นท่านไปเกิดพรมอหรือท่านหมดกิเลสแล้วเข้าสู่นิพพานไปเลยฮชนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะนั้นพวกเราให้โอปยัยญโกเหมือนกันนะไอพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องทานเราจะไปยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรมากาาหวังคนหเกิดมาชาติเดียวสนุกเต็มเวียง ตายแล้วมันรู้์จะไปไหนถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่และถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วควรจะสํานึกไวเ้เมื่อท่านทวงติ่งมาแล้วเราก็ไม่ใช่เสียหายที่ไหนเมื่อเราทําคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีมีแต่คนจกย่องเชิดชูบูชาในหมู่ในคณะถ้าุกคนทําความชั่วด้านนั่นแหละขนาดหมู่คณะก็ยังไม่ยอมรับ เราอยากจะเป็นคนชั่วอย่างนั้นอีกเหรอเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเรามองตอนเองไว้อยู่เสมอน่ะอันนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือไม่ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะอไม่ใช่เอาความตายมายกแล้วให้กันกลัวให้พวกเรากลัวไม่ใช่อันนั้นบอกความจริงให้ฟังจริงไหมพอพูดจบแล้วว่าสรุปท้ายว่าจริงไหม ที่พวกเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วจะดูโชวฟ้าดินสลายจริงไหมอย่าง เ, าเขาถามหลวงพ่อครับผมถูกเคาะถูกเข็นเรื่อง เ, อเรื่องต่างๆเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนามาจนพอแรงแล้วมันจะพ้นะอะไรยังมันจะพ้นทุกพ้นภยัยพ้นเขตอันตรายเรื่องเหล่านั้นะอะไรยังเอ เรื่อเขตหล่ร้ายเหล่านั้นละยังหลวงพ่อเขาถามไงแต่หลวงพ่อก็มองหน้าจะก่อนนะถ้าหากว่าคนที่ใจอ่อนๆมาหลวงพ่อเออคงจะพ้นแล้วบ้างเอะคงจะพ้นขคาพ้นเข็นไปละขาวนี่นะแต่บางคนถ้าหลวงพ่อดูๆแล้วขึงขังพอสมควรมีกําลังใจหลวงพ่อก็จะบอกว่าเอออย่างข่าวหน้ายี่งหนักกว่านี้หลวงพ่อก็บอกองั้นนะ ตรงพ่อก็มองมองหน้าคนก่อนนะข้าวหน้าหนักกว่านี้เขาก็ทำท่ามองหน้ามันเลือกอะไรหลวงพ่อโอ้ยมนลนาภัยแล้วข้าวหน้าในใจจะขาดกว่านี้นะอันนี้มันเพียงนิดนิดนิ ด, น, ดน้อยฉันเองเพียงจิบจ้อยเพียงลูกมันลูกส ม, มุนตัวแรกๆมาแย่ข้างเราเล่นนั่นเองไอ้ของเราเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆมันหนักกว่านี้นะเตรียมพร้อ ม, มเตรียมให้พร้อมก็แล้วกันฮะ หลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะเพราะนั้นหลวงพ่อสอนคนบอกคนแนะนำคนไม่ใช่หน้าเดียวนะถ้าเห็นเขาอ่อนๆมาแล้วจะไปพูดอย่างนั้นก็ได้เดยจะเป็นลงชักต่อหน้าหลวงพ่ออจะยุ่งใหญ่อีกพวหลวงพ่อคอองจะผ่านไปแล้วมั่งเขาะเข็นเวรกรรมเขานี่เอาทตนนั่นนะสบายใจสบายใจนะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไปไนะ้ที่นี่นะ อย่าประมาทนะเอ้าสร้างบุญกุศลนะอันนี้หลวงพ่อก็พูดอีกในมุมหนึ่งแต่พอเห็นเดี๋ยวขึง ข, งข้างๆที่ว่ารับไหวเ่ยรับไหวหรือเป็นไงหลวงพ่อผมจะผ่านไว้เนี่ยที่มันผ่านผ่า น, านโอ้เอโ อ, โอทุกข์ยากลำบากเหลือเกินเขาว่าผมเป็นมะเร็งใส่เคโมโอเข้าไปแต่ก็หายแล้วแ่ะเขาว่าตรวจ ต, ตัวแล้วไม่อะ ม, ม, มันหายละคงจะหมดละมั่งหลวงพ่อหลวงพ่อโอยัง นี่แหละพวกเราก็เหมือนกันนะคณะนะสัทธาญาติยโยมโ ล, กกลูกหลานนะยังมันจะต้องมอด้วยสมข้าวหน้านะเ่ยเจบ็บในเล็กในน้อยเลยนะคือเป็นลูกสมุนแต่ข้าวยหญ่มันไม่ใช่ธรรมดานั่นรับพรในตอนนี้น ะ, ะ อ, นนะอนุมโมทนาให้พร